เขาเขียนจดหมายบอกกลวงหน้าว่าวันที่23นะ่ามาคารวะตามประเพณีแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมามากมาน้อยเท่าไหร่วันนี้ก็พระงดอาหารมากนวันนี้นะพระน้อยดูๆแล้วพระงดฉัน18รูปลงมาฉัน24รบรูป วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสองสิหาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบห้ารู้สึกว่าฟ้าฝนจัดว่าแห้งแรงละปีนี่แต่ก็ไม่ถึงร0อยเปอร์เซ็นตแห้งแรงประมาณสักเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ถ้าคิดเปรียบเทียบกับปีคนก่อน เพราะว่าชาวนาถ้าเป็นนาลุ่มก็ได้ปักดำเป็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่นาเนินเนี่ยยังไม่ได้ปักดำเลยรู้สึกเป็นห่วงกับพี่น้องลูกหลานเหมือนกันนะหลวงพ่อยัมาคิดทบทวนนี่ว่าเอ๊ะมันเป็นพาอคาถาหลวงพ่อหรือเปล่านะทำให้ฝนแรงในว่าวาสัย ครูโรงเรียนมาเข้าคอสก่อนเข้าพารรษาเข่าวนั้นพายุกําลังกระหึมกระหึมกระหึมมาเหมือนกันครัหลวงพ่อก็เลยเสกคาถากันฝนเอาไว้พอกันฝนไว้เลยลืมเลยลืมแก้คาถาก็ไม่รู้เหมือกันเลยฝนก็เลยไม่ตกกระทั่งทุกวันนี่ <laughs> แต่ข่าวนั้นก็ได้ผนดลนั่นแหละครูโรงเรียนมาเข้าคอสมันไม่มีที่พัก ก็ตกอยู่บ้างแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับลำบากมากหลวงพ่อก็เสกคาถาเป่าฟูดเป่าฟาดทุกวันเลยช่วงนั้นก็ทาให้ฝนกระเจิงกระ จ, จายไปที่อื่นฝนเลยไม่ตกเพราะฉะนั้นมาก็เลยฝนก็เลยหยุดไปเลยเลยหลวงพ่อเ อ, อ้มันเป็นเพราะคาถาเราหรือเปล่านอ้อทำให้ฝนไม่ตกทินนี่วะเดี๋ยวเดียวกับคาถาใหม่วะหลวงพ่อบอกนะอืาก็ คาถาลงพ่อลงพ่อเอาก็ถาลงปู่จิงทองนะนะบอกว่านะ้ำมันงาทาหัวล้านนะ้ำมันงาถาหัวล้านตกบ้านโน้น่ะบ้านนี้อย่าตกนะข่าวที่แล้วเลยนะหลงพ่อบอกนะ่ะเพราะว่ากลัวไม่ให้ฝนตกเพราะครูพวกครูมาเข้าคอสมาเข้าปฏิบัติธรรมใช่ไหมคนกลุ่มใหญ่แต่วันนี้เปลี่ยนคาถาใหม่ไว อน้ำมันงาทาหัวล้านออตกบ้านนี้บ้านนู้นจะตกบกับคาถาใหม่ให้ให้ตกบ้านนี้บ้านเนี่ยบ้านนู้นจะตกบ้บานแถวไหนมันตกนะแถวที่มันท่วมๆจนะตกอย่างนั้นให้มันตกแถวแถวเราบ้านเนี่ยเปลี่ยนคาถาใหม่คาถาหลวงปูส่สิงทองบอกว่าเนะี่ะมนุษย์มานาเนะี่ย บนแล้งก็ไม่ดีท่วมก็ไม่ดีหนาวก็ไม่ดีร้อนก็ไม่ดีมนุษย์มนาน่าแตนว่ามนุษย์เนี่ขี้บนขี้จมเหลือเกินทั้งจมทั้งบนอะไรก็ไม่ดีทั้งนั้นไอ้ผู้ที่จะแต่งฟ้าฝนมาให้กูไม่รู้จะเอาอย่างไงเพญาแถนอยู่บนฟ้าไม่รู้จะแต่งมาให้ยังไง แต่งฝนมาให้ไอ้พวกอยู่ใกล้ๆยาให้ตกนะพวะไอ้พวกที่อยู่ใกล้ๆกันเอา้าตกลงมาอผู้ใดอยากให้ตกก็ไม่ให้ตกมันก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันอีกทีนึงพวกลงสีข้าวตากข้าวไว้ในลานก็ยาตกหน้าฝนนะพว ก, พวกเอาต้นตะไคร้ไปปลูกเอาหลากสีฟ้ า, าไวคค้ค้ำฟ้าค้ำฝนมาไอ้พวกที่อยากจะให้ตกก็แหร่างแมว เอาน้ำสาดมาเงั้นแต่อยากให้ฝนตกทั้งพญาแถนอยู่ทังฟ้าเนี่ยไม่รู้จะให้ใครมาเงั้ยแต่ไอ้พวกหนึ่งก็อยากจะให้ตกพวกหนึ่งก็ไม่ให้ตกยังไงพวกชาวไมตากมันไม่อยากจะให้ตกกวเอาตะไคร่ไปเสียบไว้เอาเอาลากชี้ฟ้าเอาไว้มาเงั้นแต่ข้ามฝนฟ้าข้ามฝอแต่พวกที่หนึง่งกันเนี่ยมันจำปัจจุังที่ปลูกขึ้นมาใหม่มันจะตายถึง แก่แหนางแมวรอบบ้านรอบเมืองทำมาให้ฝนตกติดสัดน้ําใสนางแมวนะนางแมวเนะี่ยอยู่ในกงในรงเน่สันงอกงอกงอ ก, งอกมันถูกน้ําสัดแล้วนะ่งขี่เล่าเอาน้าําสัดนางแมวเนะนี่แหละพ่อชาแถนอยู่ตรงฟ้าบนฟ้าเนะเอยมองดูเราจะให้ใครวะเดี๋ยวก็ให้พวกหนึ่งพวกหนึ่งก็เสียใจให้พวกหนึ่งพวกหนึ่งก็เสียใจอถ้าเป็นอย่างนี้ข้าอาจจะแต่ง ฟ่าผ่าหัวมนุษย์ให้มันตายหมดมันจะเล็ไม่ได้ลาคาญใจเลยนะปัะญแทนคิดใหญ่ทั้งบัดเยโมโหขึ้นมาอคิดว่าจะเอาฟ้าแต่งฟ้าฝนของมั า, า, มาพาหัวมนุษย์เล ย, ยงั้ือนกัแต่ทำมันมันยุ่งยากนักวากเหมือนกับปู่กับยานะ่าเ่ยปู่ย่าตายายเห็นลูกหลานมาเหนี่ยวข้างเหนียวหลังกับโมโหขึ้นมาที่แท้โหดลักษณะอย่างนั้นนะ นายพยูพญาแถนเนี่ยแต่ว่าชนขึ้นมาแล้วจะทําพวกหนึ่งก็ถูกใจพวกหนึ่งก็ผิดใจพวกหนึ่งทําอีกพวกหนึ่งก็ถูกใจแต่พวกหนึ่งบัดผิดใจเลยมันลําคาญทั้งสองข้างฮทําไม่ค่าลําคานล้าเกินมนุษย์ เ, ยเดี๋ยวข้าจะแต่งฟ้าลงมาอัศนีบาทฟ้าผ่าลงมาตายหมดจนเกี่ยงไป แล้วมันจบไปล้างกระดานใหม่เลอาจจะเป็นสัตว์พันใหม่ไปไงเด้อไม่เอาละมนุษย์เนี่ยมันขี้บ่นเหลือเกินเลยเนี้ก็หอยหอยขมหอยจูบมันอยู่อยู่ใกล้ๆขนาะอันนี้นิทานหลวงปู่จิ้งทองนะไม่ใช่นิทานหลวงพ่ออินหอยจูบอยู่ใกล้ๆนะ ทางหอยจูบก็เลยพูดกับพญาแทนบอกว่าจะไปหาสนใจอะไรเรื่องปากมนุษย์มันมีมกระบวนกาเป็นไง อ, อย่างงั้นแหละเออมันมีอะไรมันกระบนมันมีอะไรมันกิกนมีอะไรมันกรยจูบไปเรื่อยๆขนาดก้นก้ น, นขนอ่อยมันยังจูบหอยจูบว่าเออให้ว่าคนเวไล่แต่กินหอยจูบมันก็ต้องจูบ ป, ปากจูบก้นใช่ไออ ทางหอยนะก็บอกนะก้คนเขอยมันยังจบทางพญาแทนโอมันปาด้านที่มนุษย์เนี่ยปาด้านแล้วปากมันหนออาจารย์เอาหอยเอาไผ่มันซะออก็เลยพญาแถนก็เลยให้เอาไผ่มนุษย์เหมือนกันเออถ้าว่าไม่มีหอยไปคัดค้านไว้เนี่ยโอ้ยออฟ้านอยู่ผ่าหัวมนุษย์ไปด้วแตกไปกี่เสียงแล้วกันเนี่ยนี่แหละ อันนี้นิทานของหลวงปู่สิงทองเลเวลาท่านพูดท่านก็หัวเราะฮ่าฮ่าหลวงปูส่สิงทองเนี่ยชอบพูดตลกนะนิทานคำขมามาพูดเหมือนก้นนี่แหละสรุปแล้วก็คืออน่ยเป็นมนุษย์เนี่ยอย่าไปขี้บนขี้โโจมากเกินไปปลูกแลรวก็มันก็อดไม่ได้เหมือนกันนะอย่ามันแห้งแล้งอย่างนี้ใช่ไหมจะปักดำแล้วก็ปักดำไม่ได้เพราะมันแห้งแล้ง เข่าก้าวก็ากตายหมดเลยไม่รู้จะหาน้ําที่ไหนมาลดมันอีกอสมัยก่อนเนี่ยหาบน้ํามาลดกล้านะทุกวันเนี่ยเขอยังชั่วเลยมีเครื่องสูบน้ําแต่ก่อนเน่ยตักน้ํามาลดกล้าถ้าหากว่าฝนไม่ตกแต่คราวนี้กัลักษณะอย่างงัดเหมือนกันะอทามันแล้งไปอีกสักประมาณสักสองอาทิตย์นี่ยหลวงพ่อว่าน่าเป็นห่วงเหมือนกันถ้าฝนไม่ตก แต่ไม่รู้จะทำยังไงพวกเราอยู่ไต้ฟ้าไต้ไต้ฟ้านะจุดแท้แต่ธรรมชาติมันจะมาให้แต่ว่าต้นไม้ไม่เป็นลายต้นไม้แต่พวกยางเนี่ดีอกีใจได้แต่เนี่ยถ้าฝนไม่ตกจะได้กีดยางแต่เสียใจหน่อยแดงก็คือว่าราคามันทุกที น, นี่นแหละสรุปแล้วก็คือโลกใบนี้นไม่น่ามาเกิดนึงที่สุด เสียใจตัวหนึ่งดีใจตัวหนึ่งดีใจตัวหนึ่งเสียใจตัวหนึ่งมันจะให้ได้หมดทุกอย่างเป็นไปไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าท่านมองดูแร้วมองดูโลกวัะสงสารเนี่ยมันไม่สมประสงสักอย่างกีดยางได้ราคาประตกยางกีดยางไม่ได้ราคามันขึ้นแล้วก็ข้าวก็เหมือนกัน ข้าวพวกหนึ่งกับกักตุนพวกหนึ่งกับปล่อยออกพวกหนึ่งกับทำอีกไม่รู้ว่าอะไรตัวมีอะไรเถียงกันนัวเนียไปหมดทุกวันไม่รู้ว่าใครโกงใครกินใครกอรับชงกอรับชั่นติกันไปตาหนิกันมาดูๆแล้วมันน่าเบื่อจริงๆนะถ้ากว่าพวกเราท่านทั้งหลาย พยายามเผากิเลสในใจจะมาเกิดอันตรีที่สุดถ้ามาเกิดก็ต้องมาเจออย่างนี้อีกอันนี้ค่อยยังชั่วนะ่เรามาเกิดยุคนี้สมัยนี้ถ้าเกิดยุคสมัยข่าฟันรันแทงกันเนี่ยสมัยยกพอกยกดาบไปชันหน้ากันเข้าไปตะลุมบอลกันมันน่ากลัวขนาดไหนทั้งหอกทั้งดาบเห็นกันะ ก็ไปสังหารกันไปรู้ช่างไปรู้ามาะตราอาวุธเข้าไปประหัตประหารกันถ้าเรายุคเกิดในยุคสมัยนั้นโอ้โหขนาดไหนยุคนี้สมัยนี้ก็เถอะถ้ า, าว่าบ้านเมืองเกิดศึกสงครามเอาระเบิดมาเทึงใส่กันปูมตามปูมตามแล้วก็ยิงปืนใหญ่ใส่กันทหารเขาเข้ามากวาดล้างแต่คิดคิดดูแล้วโอ้ ไม่สีวิไลเหมือนกันเกิดมาในพื้นมนุษย์เนี่ยมันน่ากลัวจริงๆรงว่ า, าปฏิรูประเทสวาโซจ่ปุเพจักะตะปุญญาตาอัตตะสัมมาปณิทิปุเพกะตะปุญญาตาคล้ายๆว่าพวกเราได้สร้างบุญดีแล้วจึงมาเกิดในพื้นแผ่นดินในยุคนี้สมัยนี้ปุเพกะตะปุญญาตา อัตตะทำมาปณิธิในเมื่อเรามาเกิดได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินอย่างนี้แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ตั้งตนไว้ชอบให้บำเพ็ญคุณงามความดีเอาไว้เกิดพบหน้าชาติหน้าเราจะไปเกิดในสถานที่ที่ไม่มีศึกสงครามและก็เป็นบริเวณที่เป็นสัมมาทิฏฐิ เคยๆเราบอกคนมีสัมมาทิฏฐิคือเห็นความเห็นรู้จักดีรู้จักชั่วรู้จักบาปปุลคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ในทางเรามีบุญนะปฏิรูประเทสวาโสโซจะเกิดเป็นในประเทศอันสมควรปุกเพจกตะปุญญาตาเพราะพวกเราได้ทำความดีได้ทำบุญไว้ในในอดีตจึงได้มาเกิดอย่างนี้อัตตะสัมมาปนิธิ เมื่อเกิดมาในสถานที่อย่างนี้แล้วอย่าตั้งอยู่ในความประมาทควรจะสั่งสมบุญกุศลอีกจะได้เกิดในปฏิรูปประเทศอีกประเทศไหนที่ไม่มีไม่เกิดฉุกศึกสงครามไม่มีอันตรายเราไปเลือกเกิดได้ในจุดนั้นนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านคนที่มาเกิดอย่างพื้นแผน่นดินไทยหลวงพ่อว่าเรามาเกิดในปฏิรูปประเทศ คือประเทศที่ไม่มีศึกสงครามแล้วก็เป็นประเทศที่ไม่ได้ทำอะไรให้พวกเราทุกอยากลำบากจนเกินไปแต่บางประเทศเดี๋ยวนี้พวกเราคิดดูซิบางทีอาหารจะ ก, กินก็ไม่มีบางทีเกิดศึกสงครามไม่มีไม่เว้นแต่ละวันแล้วไม่รู้ว่าห ว, วาดภาวะอยู่ตลอดเวลาไม่รู้จะตายเมื่ อ, อไหร่อย่างนี้เป็นตน้นนะ อันนี้ก็คือถ้าเราไปเกิดในจุดนั้นยุคนั้นสมัยนั้นนะเราจะมีความทุกข์ขนาดไหนแต่โรงพ่อเนะี่ยสมัยสงครามโลกครั้งที่สองนะสงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นกับเยอรมันเข้ากันตีพกยุโรปอเมริกานะกวาดล่างกันในที่ดินนี้คือญี่ปุ่นประเทศไทยญี่ปุ่นเข้ามา พอสงครามเลิก่ยหลวงพ่อเลยมาเกิดนะจะไม่โลมาจากที่นี่นเรามาเกิดพอสงครามสงบสึกปีนั้นอนะปีแปดแปดนะหลวงพ่อก็คงจะมองมองดูเหมือนกันอนะสงครามจบแล้วไหมเด็กเรามาเกิดถ้ามาเกิดในยุคสงครามเนาะพ่อกับแม่นาะคงจะอุมลูกวิ่งหนีสงครามไปทุ่งทลายเหมือนกันนะอะปีแปดสี่แปดห้าแปดหกแปดเจ็ดอะ ปี88เนี่ยเพราสงครามสงบจุดสงครามญี่ปุ่นปี2000 2488สงครามสงบนะปีนั้นเริ่มสงบนะนี่แหละหลวงพ่อก็เกิดในปีนั้นพอดีถ้าเกิดก่อนหน้านี้หลวงพ่อคงจะลำบากคนกันนะพ่อแม่แต่เราไม่รู้รเราเป็นเด็กออมีแต่เขาหอบไปหอบมาเวลาเขา ได้ยินเสียงระเบิดวิธได้ยินเสียงอะไรมาไหมแต่เขาจะปิดปากมันร้องให้เพ้อเพอปิดปากอย่างมาแล้วจะปิดจมูกอีกที่เพ้อเพอจะตายในสงครามกับยุคนั้นอีกเ น, นี่ยแหละเกิดมามันทุกข์เล้วเกินอยากเกิดแั่ดีที่สุดนะให้ภาวนานะพวกเราท่านทั้งหลายนะชำระใจให้หมดจดจากกิเลสไม่มาเวียนว่ายตายเกิดมีช่องทางอยู่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้ว ทำสมาธิและเดินปัญญาจากนั้นก็เห็นให้รู้แจ้งเห็นจริงเบื่อหน่ายคลายนิพพิทาคือนิพพิทาคือความเบื่อหน่ายคลายจิตใจก็จะดุพ้นจากอาสวะกิเลสอรับพรอ น, นโมตนาให้พร